เมื่อวานหลวงพ่อได้ออกไปอุดอรที่แรกก็คิดว่าพวกคณะแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดอรจะเข้ามาพบหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อจะไย้ญาติโยมมาทางบ้านตากที่มีอุปการคุณกับวัดหลวงพ่อก็เลยไปงานศพเมื่อวานนีไปก็เลยไป พวคณะแพทย์จะเข้ามาที่นี่หลวงพ่อเลยนัดไปพบที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่วัดป่าบ้านตาดไปเจอกันที่นั่นก็เลยไปเซ็นเซ็นสัญญาหลวงพ่อเป็นคู่สัญญางั้นแือที่แรกก็จะให้คนอื่นเป็นคู่สัญญาใครๆก็ไม่ยอมจะให้หมอเป็นคู่สัญญาหมอก็ไม่ยอม่เอาหลวงพ่อเป็นคู่สัญญาเองวะหลวงพ่อเป็นผู้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์เครื่องพาตัดหัวใจคือหัวใจคือมันมีอยู่สองระบบอันหนึ่งเราวนโลนบานรลนก็คือมีเครื่องแยงเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็เส้นเลือดตัวไหนอุดอุดตันเขาจะไปให้มันถางออกจุดนั้นที่ที่มันเตีบตันนั่นหรือว่าเส้นเลือดอุดตัน แต่ตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเป็นเครื่องบายพาธบายพาธก็คือทำถนนถนนรอบเมืองมางั น, นไม่ไม่พาเขาไม่แยงเขาในหัวใจออกพอหัวใจมันอุดตันแล้วเขาต่อเส้นเลือดให้มันมันข้ามไปอีกฝากหนึ่งอันนี้นี่แหละหลวงพ่อไปเซ็นสัญญาสี่เครื่องไม่ใช่สีเครื่องคล้ายๆว่ามันเครื่องมือตอนนี้มันเกี่ยวเนื่องกัน ตัวหนึ่งผ่าหัวใจผ่าหัวใจในล้านสี่แล้วก็เครื่องทางก่อนที่จะผ่าได้ก็ต้องตัดผ่าหน้าอกซะก่อนพอผ่าหน้าอกเสร็จแล้วก็มีเครื่องทางให้เข้าให้ทางออกให้มันกว้างแล้วก็ค่อยไปทำหัวใจแต่นี่เครื่องทางเนี่ยสี่แสห้าแล้วก็เครื่องช่วยหายใจอีกสองตัวสองเครื่องตัวหนึ่ง เราซื้อสามแสนอีกตัวหนึ่งเขาถวายถวายสามแสนรวมแล้วเป็นสองตัวหกแสนคือเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเมื่อผ่าตัดเมื่อผ่าตัดหัวใจแล้วหรือว่าผ่าตัดทุกอย่างนะ่ะคนยังสลบสลด์อยู่ก็ต้องมีเครื่องช่วยหายใจสําหรับนั่นแหละที่เราเห็นเขาบีบลูกโปง่งคนนอนสลบสลด์แล้วคนบีบลูกโป่งนั่งไปนะ่ะตัวนั้นแหละ ต่นี้ถ้าว่ามีเครื่องตัวนี้เราจะไม่ใช้ลูกโป่งจะใช้เครื่องตัวนี้ช่วยหายใจไปเลยจนไปถึงห้องไอซีหรือห้องคนป่วยแล้วค่อยถอดออกนอันนี้ก็คือเครื่องตัวนี้เครื่องช่วยหายใจสองตัวตัวละหกแสนแต่เขาถวายตัวหนึ่งเราซื้อตัวหนึ่งแล้วก็เครื่องปอดหัวใจเทียมปอดหัวใจเทียมตัวนี้ถ้าว่าพ่าตัดเข้าไปแล้วหัวใจมันช็อก หัวใจมันหยุดเต้นพอหัวใจหยุดเต้นเขาจะเอาเครื่องนี้เข้าไปช่วยทันทีถ้าว่าหัวใจไม่หยุดไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใช้ถ้าหัวใจหยุดเต้นจะเอาเครื่องนี้เข้าไปช่วยเครื่องนี้จะช่วยได้ประมาณสิบหกชั่วโมงขนาดเอาหัวใจออกไปแล้วเนี่ยเอาเครื่องนี้เข้าไปช่วยจะช่วยได้สิบหกชั่วโมงมันจะฟอกเลือดกับไปเลี้ยงสมองเลี้ยงร่างกายทุกส่วนเครื Кол ่องตัวนี้เมื่อวานก็เลยหลวงพ่อก็เลยเซ็นสัญญา เป็นครั้งที่สามเมื่อวานเซ็นสัญญาตัวที่เครื่องทางหัวใจกับปอดหัวใจเทียมเมื่อวานสรุปแล้วเครื่องสี่ตัวเนี่ยยอดเงินทั้งหมดห้าล้านเจดแสห้าหนแต่เครื่องนี้จะมาประมาณไม่เกินสามเดือนแตอ่อย่างเร็วก็ประมาณสักสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือนเครื่องจะมาแต่พอเครื่องมาแล้ว ทางแพทย์ทางผู้เจ้าของเครื่องเนี่ยเขาจะมาสาธิตในการใช้งานอีกสองเดือนใช้งานสองเดือนไม่มีปัญหายังค่อยจ่ายเงินหลวงพ่อคิดว่าห้าเดือนหนึ่งคงจะไหวอยู่มั่งป่ะพ่อกรถินอยู่ทั้งหน้ามัก็มีอยู่เ อ, อหลวงพ่อก็เลยรับเลยว่างั้นเล อ, อกับพี่น้องชาวอุดรออช่วยๆกันสรุปแล้วก็คือตัวอื่นก็ยัง นั่นจะบอกว่าตัวสามล้านสามเนี่ยอตัวปอดหัวใจเทียมสามล้านสามเนี่ยตัวนี้หนักอยู่แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาให้คิดว่าน่าจะให้พี่น้องชาวอุดรได้เดี๋ยวนี้เครื่องผ่าตัดหัวใจเนี่ยบายพาสเนี่ยไม่มีเหมอหัวใจอยู่ในอุดรมีอยู่สามคนคนหนึ่งก็คืออเวลา ที่หมออดอนของเรามีเดียเ๋ยวนี้คือเวลาแน่นหน้าอกหรือว่าหายใจไม่ออกเพียงเท่านั้นแหละใครๆก็บอกเอาอยาไตาลิ้นให้แล้วก็ฉีดยัคลายกล้ามเนื้อเท่านั้นะแล้วก็จากนั้นก็ถ้าเป็นโรคหัวใจก็ต้องไปเรียงคิวอยู่ที่ขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์ศิลิกิตขอนแก่นคนตายมามากตัวมากเาลยหลวงพ่อมันคิวยาวเหยียดเลยมนุษย์เกือบสิบจังหวัดมางั้นไปรอคิวกันอยู่ที่ขอนแก่น ถ้าว่ามีเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสามสี่ห้าหกจังหวัดเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเครื่องนี้ไม่มีนี่แหละหลวงพ่อฟังดูแล้วก็อื ม, มก็เลยกัดฟันสู้ว่างั้นแต่ทั้งที่เราก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยนะเครื่องมือแพทย์หลวงพ่อให้ความสําคัญอยู่โรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์เนะี่ยเมื่อวานก็เลยได้เซ็นสัญญา จบแล้วเมืวานทั้งสีเครื่องทั้งสี่รายการรวมแล้วเป็นเงินห้าล้านเห้าหมนที่หลวงพ่อพูดให้ฟังน่ก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวกนัชธายาิโยมลูกหลานทุกคนจิตุปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อได้ช่วยอะไรไปบ้างแต่หลวงพ่อช่วยอุดรก็เหมือนกับช่วยนายูงช่วยน้ำโสมช่วยหลายหลายจังหวัดทีเดียวเพราะว่ามันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โรงพยาบาลอุดรเป็นโรงพยาบาลศูนย์ศูนย์คือคือเป็นศูนย์รวมอุดร น, น้องคายนคนรพนมสกลนคร น, น้องบัวลำพูจังหวัดเลยที่มาใช้โรงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยเพราะนั้นโรงพยาบาลศูนย์อุดรเป็นจุดศูนย์กลางเครื่องไม้เครื่องมือน่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีแต่หลวงพ่อก็ถามนะทำไมไม่ไปขอเงินงบประมาณมาซื้อละ่ะ ว่างบ ม, มันทํายากขอแล้วมันไม่ได้ขอไม่รู้กี่ครั้งไม่ใช่ว่าไม่ขอนะขออยู่ขอไม่ได้แตทางกระทรวงสาธารณาสุขถ้าจะให้โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนั้นไอยังไงเขาจะทุ่มโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งก็ไม่ได้เลยก่อนทีน่ะจะขอได้นี่ก็หลายปีเลยคิดว่าพวกเราเอาทางรัฐก็คือที่นั่ บอกกล่าวกันพี่น้องประชาชนลงขันกันเหมือนกันะต่หลวงพ่อเขเลยเอ้าถ้าลงขันกันหลวงพ่อเป็นปูนซีเมนมาหลวงพ่อเป็นปูนซีเมนพวกเราเป็นกวดเป็นหินเป็นทรายมากระวมกันหลวงพ่อกับคลุกๆุกเป็นปูนซีเมนก็จับให้มันแน่นเลนี่อคล้ายๆว่าเป็นผนึกพี่น้องแต่ละคนก็เป็นกวดเป็นหินเป็นทรายแต่ละเม็ดมารวมกันน่ะหลวงพ่อเป็นปูนซีเมนยึด เน่อามาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยแหละหลวงพ่อก็เนี่เป็นเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญของพี่น้องประชาชนเนี่ยหลวงพ่อก็คิดว่าเกิดประโยชน์เพราะว่าเขาขอสิ่งไหนก็ตามเขาขอไม่ใช่ให้ตามที่เขาขอนะหลวงพ่อจะต้องฟังจะต้องดูจะต้องเข้าไปดูว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าว่ามีประโยชน์มากหลวงพ่อถึงจะหนักหน่อยหลวงพ่อก็เอ า, ายามพูดกล่าว ขอร้องกับพวกข้าหาบดีใช่มข้าหาบดีพวกชาวเมืองอุดรเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไปนั่งหัวโตเลยท่านข่าวนี่ไปนั่งในที่ไปชุมอลไรบอกว่าโรคหัวใจนี่นะหลวงพ่อได้สอบสืบดูแล้วผู้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยคือผู้มีมีอันจะกินพวกที่ร่ํารวยพวกอาเซียพวกข้าราชการผู้ใหญ่แต่พวกชาวบ้านไม่ค่อยจะเป็นหรอก ถ้าเป็นเขาอาจจะไม่มารักษาอาจจะตายไปก่อนก็ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าโดยมากเขาจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเขาทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็ทําการทํางานไขมันก็ดีคอเลสเตอรอลไตกลิไ ล, ลายเนี่ยมันจะละลายหมดเพราะเขาทํางานเหงื่อมันออกแต่พวกข้าราชการหรือพวกพ่อค้าเนี่ยพอทานอาหารกับทานอาหารดีๆอีกต่างหากพอทานอาหารเสร็จแล้วก็มานั่งเก้าอี้ขี้เกียจออกกําลังกายอีกต่างหากทีนี่ตอนเย็นน่ย ผลในสุดมันสะสมสะสมไตกิจไลคอลเลสเตอรอลก็จะเต็มในเส้นเลือดจากนั้นก็อุดเส้นเลือดหัวใจก็อุดเส้นเลือดในสมองก็อุดเพราะฉนั้นโดยมากจะเป็นกับผู้ที่มีอันจะ ก, กินนะโรคเนี้ยออโรคหัวใจเนี่ยออโรคเกี่ยวกับอมัอมพฤกอัมพาต เ, เนี้ยเนี่ยหลวงพ่อ็นนะบอกเพราะฉะนั้นพวกเราให้ลงคันกันเอาโลง่ง วันลงขันกันได้สองล้านกว่านะได้สองล้านกว่าไม่ถึงชั่วโมงเหมือนกันเลยลงได้ได้สองล้านกว่าเออกระพอมันหมดกําลังเหมือนกันแะต่แต่มาช่วงที่หลังลงพอ่อน่าจะเอาเครื่องตัวนี้อกนะีกเนี่ยตัวสามล้านสามนะแต่ตัวนี้จะต้องพูดอีกจากรอบเรงเหมือนกันแต่นี่แหละการพูดทั้งนี้ทางนั้นก็เป็นการบอกกล่าวว่าพระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ อย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในป่าดงพงไพ่ได้คิดช่วยเหลือชุมชนสังคมอะไรได้บ้างฮะอันนี้ก็คือจุดนี่แหละจุดหนึ่งท่าว่าพวกหลวงท้าวว่าหลวงพ่อไม่พูดให้แก่พวกเราฟังพวกเรากโคงยว อ, อู้ครูบาอาจารย์คณะัตหายาโยมถวายเจตุปัจจัยแล้วท่านเอาไปไว้ที่ไหนท่านใช้อย่างไรหรือว่าถ้าวว่าวัดจนทวัดไม่มีอะไรโอ้วัดเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือชุมชนอะไร เป็นกาฝากของชุมชนเป็นกาฝากดูดซึมกินพี่น้องประชาชนเท่านั้นเสียงเหล่านี้ถ้าว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไม่พูดเพราะถ้าว่าแนะนำสั่งสอนเรื่องนามธรรมนามธรรมคือคำพูดเนี่ยแนะนำสั่งสอนเออลูกหลานอย่าทำชั่วเนอะให้ทำดีเนอะให้สร้า ง, งบุญสรนะ้างบุศลเนอะให้รู้จักเคารพปิดามานดาเนอะ ให้เคารพกฎหมายบ้านเมืองเนอะให้รู้จักวั ย, ยวุฒิคุณวุฒิให้มันขยันในการทำอาหาเลี้ยงชีพอย่าไปเล่นการพนงพนันนะลูกหลานเนออันนั้นเป็นหนทางแห่งความจิบหายพระสงฆ์ท่านก็พูดเทศทุกวี่ทุกวันแต่ว่านั้นเป็นนา ม, มาธรรมพอพูดไปแล้วมันเข้าอากาศไปมันมองไม่เห็นพวกเราก็เลยว่าพระสงฆ์ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ทำอะไรอยู่ในวัดวาศาสนาเนี่ย อันนี้พวกเราก็มองไปอีกในมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อให้ทั้งนามธรรมให้ทั้งรูปรูปธรรมนามธรรมคือแนะนําสั่งสอนอย่าง MP3 หลวงพ่อแจกเนี่ยหนังสือเนี่ยอันนี้คือเป็นแนวความคิดให้แก่พี่น้องประชาชนได้ศึกษาคนเราที่จะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยการศึกษาถ้าไม่ได้อาศัยการได้ยินได้ฟังไม่ได้ไม่ได้ศึกษาแล้วจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไร เพนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังวันนี้บ้างฟังวันนั้นบ้างถ้าว่าฟังหลายครั้งตัวหลายหนเราก็จับประเด็นได้ว่าเอ อ, เ อ, อทาคําสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีจุดหมายท่านมีจุดประสงค์อย่างนี้ท่านมีข้อห้ามอย่างนี้ท่านแนะนําคนให้เป็นคนดีอย่างนี้พวกเราก็จะได้รู้เพราะเรารเรียนได้ศึกษา อันนี้ก็คือการแจกหนังสือหรือว่าแจกเอ็มพสาให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อส่วนรูปประธรรมก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวไปทางว่า ห, าหลวงพ่อจะบรรยายให้แก่คณะสัตยาติโจมฟังหลวงพ่อไปช่วยโรงเรียนที่ไหนบ้างให้เนี่ยโรงเรียนพี่น้องชาวอำเภอหนองสูงคำชะ อ, อีที่นั่งหลังหลวงพ่อเนี่ย ถ้าหลวงพ่อพูดให้ฟังพวกนี้ก็อ๋ออ๋อทั้งหมดเหมือนกันเป็นหลายสิบโรงเรียนแถ บ, แถบนั้นมีแต่หลังสามชั้นบงังสองชั้นบงังคิดแล้วก็เป็นเงินแต่ละเป็นล้านสองล้านสามล้านกว่ า, ส า, า, วาสามล้านกว่าเกือบทั้งนั้นจากนั้นก็แถวอำเภอน้ำโสมแถวนี้อีกอท่าบอเสียงคานเนี่ยนี่แหละโดยมากหลวงพ่อเป็นสะพานบุญหลวงพ่อไม่ได้มองข้าม แต่เดี๋ยวนี้กันโรงเรียนบ้านก้องตําบลบ้านก้องกําลังจะขึ้นอีกสองชั้นนี่พ่อออก็นั่งอยู่เนี่ยนะอีกไม่นานเดือนพฤศจิกาคงจะได้มอบหลังนี้อันนี้คือสองชั้นสามล้านกว่านี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามชุมชนจะจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรจากหลวงพ่อหลวงพ่อก็พยายามแผ่ขยายออกไป เพื่อให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากนั้นก็หลวงพ่อก็มองดูว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้ไม่ได้รับการศึกษาคนงั้นก็โง่เง่าเต่าตุนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จกัจกอะไรเพราะไม่ได้รับการศึกษาแต่ถ้าว่าพวกเราได้รับการศึกษาดีแล้วมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ว่า เข้าไปหาหมดหาหมอโรงพยาบาลไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหมอไม่มีศักยภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนก็พวกเราก็มันก็หาความสุขไม่ได้ในชีวิตอีกเหมือนกันเป็นอะไรก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะรักษาเพราะนั้นทั้งสองอย่างควรจะไปด้วยกันการศึกษาหนึ่งการพารานามัยการดูแลสุขภาพของมวลมนุษย์มวล ประเทศชาติของเราเนี่ยนี่หลวงพ่อก็ได้ดูแลทั้งสองอย่างนี้แต่ส่วนอื่นจําเป็นไหมก็จําเป็นข้าวน้ําโภชนาะอาหารการเกษตรอันนั้นก็จำเป็นแต่หลวงพ่อเอาทักงสองอย่างนี่ก็เต็มแรงพอแรงเหมือนั้นแต่แต่ละครั้งเนี่ยไปเซ็นสัญญงสัญญาอย่างเนี้ยทําไมหลวงพ่อจึงเป็นเซ็นสัญญาเขาว่าพระนี่ยทำนิติกรรมเกี่ยวกับกฎหมายไม่ได้นะแต่ทําไงได้ล่ะ พวกหมอพวกแพทย์จะให้ใครเซ็นเขาก็ขัวเป็นหนี้ใช่ไหมแต่หลวงพ่อในใจใหญ่นะอหลวงพ่อในใจใหญ่มาเลยมาหลวงพ่อจะเซ็นให้ว่าะแต่อันนี้ตพอเซ็นแล้วก็จบไปหน้ามันใจวะแล้วก็จบไปหน้าเหอเพราะเหตุอะไรเพราะว่าหลวงพ่อมีวัดกว้างอยู่พันกว่าไร่เดี๋ยวหลวงพ่อไปเจ้าไปจำนองดูอ ะ, ะเจ้าว่าดจะาวัดไปจำนองธนาคารดูขายวัดด้วยซิว่าเอเท่า หลวงพ่อคิดจะขายวัดคงจะมีคนมาช่วยเยอะมั่งล่ะเนี่ยแหละหลวงพ่อใจใหญ่ถึงขนาดนั้นละ่ะกับพี่น้องลูกหลานชดใช้ญาติโยมการช่วยช่วยกันนั่นแหะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อพูดก็พูดนี่นแหละออแต่ตามมาจริงก็ไปถึงขนาดนั้นหลอกคงจะพอเป็นพอไปอยู่งานนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์รูปธรรม เ, ออเป็นรูปธรรมออถ้าเป็นนามธรรมกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแต่แนะนําสั่งสอนไปก็เข้า ลมเข้าอากาศไปพวกลูกหลานบางคนก็มองไม่เห็นแต่ตามไม่จริงวัดวาศาสนาเนี่ยสอนเขาสู่จิตเขาสู่ใจแล้วบางทีมันมันลึกนะการพัฒนาจะพัฒนาอะไรก่อนหลวงพ่อพูดได้เล ย, เลยต้องพัฒนาคนก่อนการที่จะพัฒนาคนนั้นจะพัฒนาอย่างไรเเ อ, อจะอามา เอาสัญญกรรมมาตกแตง่งมาโปกแข้งโปะขาให้มีกล้ามเนื้อให้มีจมูกโดง่งอย่างนั้นอย่างเดียวใช่ไหมพัฒนาคนไม่ใช่พัฒนาอย่างนั้นมีแต่เสียหายพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาทางด้านจิตใจจะทํำยังไงเขาจึงจะมีความรู้จะทำ จ, จ, จะทำยังไงเขาจึงจะฉลาดจะทํำยังไงเขาจึงจะเอาตัวรอดได้แต่เราจะมีแต่สงเคข้อ์อนุเคราะห์ อ, อย่างเดียวเขาอดอยากมาเอาเข้าให้มีอาหารมาเอาอาหารให้ เพอกินไปแล้วก็ไปนอนตีภูมิยู่หิวมากก็มาขออีกอย่างนั้นเราเลี้ยงไม่รู้จะโตแต่เราควรจะบอกวิธีการให้เขาว่าเจ้าต้องไปทํานาอย่างนี้ต้องไปทําดินอย่างนี้ต้องไปปลูกอย่างนี้จะทํำยังไงจึงจะแนะนําแนะนําเขาได้ให้รู้จักวิธีการที่จะรักษาหรือว่าการสสแสวงหาทรัพย์ไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ให้ลังแก ทรัพย์ของคนอื่นเขาไม่ให้ปล้นให้จีให้คดให้โกให้ขโมยเขาเนี่ยสียงเหล่านี้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระพุทธศาสนาท่านสอนอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกลา่าวหลวงพ่อเองขอประกาศให้คณะสัตยาธิยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าอำเภอนายูอำเภ อ, น, อ, เภอน้ำโสมของเราเนี่ยกำลังเป็นอำเภอเศรษฐกิจถ้าว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้อำเภอน้ำโสมนายูของเราจะเป็นอำเภอที่ ล่ำรวยเออส่วนหนึ่งเพราะเหตุใดเพราะว่าเราขายยางยางพลาราราคาสูงมากถ้าว่ามันราคาอยู่อย่างนี้สีหปีเนี่ยพี่น้องลูกหลานต้องลืมตาอ้าปากได้แต่หลวงพ่อก็มาคิดอีกส่วนหนึ่งกลัวลูกหลานจะลืมตัวในการใช้จ่ายในการได้เงินมาแล้วเนี่ยอาจใช้ช่วยดุยช่ายไลอิรุยชุย่แ ช, ชดแต่บางคนอีกกลุ่มหนึ่งหลวงพ่อก็เป็นห่วงอีก เออพอลูกหลานทําการทํางานกีดจงกกีดย่างบางทีอาจจะไปซื้อยาบ่งยาบ้าบมาขายให้กันเนี่ยเออมาขายให้คนทํางานเพราที่สุดเนี่ยพวกที่กีดจงกกีดยางเนี่ยแหละทีเนี่ยจะเป็นพิษเป็นภัยต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าอีกหลายทีเนี่เพราะเหตุอะไรเพราะว่ า, วามันติดยาเสพติดอันนี้ก็เป็นพิษเป็นภัยอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นพวกเราให้คิดให้ดีนะก่อนที่จะทําอะไรนะลูกหลานนะ ต้องเห็นใจเขาใจเราถ้าเป็นลูกหลานของเราติดยาเสพติดยางเงี้ยมันก็เสียหายนะเพราะนั้นต้องมองต้องคิดดูให้รอบคอบทุกหมู่ทุกเหล่าถ้าว่าตัวเองจะไปกีดยางอยากจะรวยแต่กินยาบ้าอันนั้นแปลว่าได้เต่าเสียหมาถ้าเป็นพรานนะเขาเลยพ่านหมาพ่านหมาที่พาหมาไปหาล่าเนื้อน่ยแต่ได้เต่ามาแต่ได้เต่ามาแต่หมาเสีย เพราอะไรเพราะพาหมาไปตกเหวตกบ่อไปเข้าไปหนึ่งแหล่งของงูจงอางอย่างนั้น่หมาตัวเองก็เลยตายไม่คุ้มค่านี้ก็เหมือนกันอได้เงินมานี้แน่นอยแต่ตัวเองเสียเสียคู่เสียคนเสียครอบครัวไปเพราะเหตุไรเพราะว่าติดยาเสพติดทั้งครอบครัวอย่างนี้อันนี้ก็ควรจะคิดนะต้องบวกลบคูณหารดูให้ดีนะเออย่าไปทําแบบคิดว่าจะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือเป็นการบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้นะถ้าว่าพี่น้องประชาชนร่มเย็นเป็นสุขวัดวาศาสนาก็ร่มเย็นเป็นสุขด้วยแต่ถ้าว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนวุ่นวายวัดวาศาสนาจะร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไงมันเดือดร้อนไปด้วยกันเพราะวัดกับบ้านอาศัยกันแต่ถ้าบ้านอยู่ดีกินดีหัวัดก็ต้องอยู่ดีกินดีไปด้วยแต่ถ้าว่า บ้านเดือดร้อนวุ่นวายวัดก็ตรองเดือดร้อนอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นหลวงพ่อเนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้แนะนําบอกกล่าวพี่น้องประชาชนลูกหลานผู้อยู่ใกล้ชิดเนี่ยให้เป็นคนดีนะลูกหลานหน้าการพนงพนันอย่าไปทำเน่าเนี่ยอันนี้ก็คือการแนะนําของฝ่ายพระสงฆ์จากนั้นผู้ที่มาอยู่ใกล้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เออเอาให้สั่งสมบุญกุศลไปเน่า อในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเอพราะเหตุไรเพราะว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้าท่านไปพิสูจน์แล้วในโขนต้นโพเนะี่ยพันนั่งภาวนาแล้วท น, นั่งภาวนาจนจิตสงบจิตรวมเป็นหนึ่งจิตไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระพุทธองค์ละลึกชาติทูลหลังได้เนียว่าปุเพเนวาสานุสติยานละลึกชาติทูลหลังได้ นั้นท่านจึงในนำทำคําสอนของพระองค์มาประกาศเผยแพ่จากนั้นมาถึงยุคของเราทีนี้มายุคของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่เขาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆที่พวกเราให้ความเคารพนับถือจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาจุดนี้จากนั้นท่านก็แอบตะพายบาดแบกกรดเข้าไปอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่ถ้ำไหนเหวไหน ภูผาป่าไม้ไหนเอป่ารงพงไพที่ไหนท่านเดินเข้าไปไปภาวนาไปดูใจของท่านอย่างเดียวจริงไหมที่พระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดเนี่ย น, น่ะจากนั้นท่านก็ออกมาจากป่ารงพงไพท่านบอกออืนั่งภาวนาจิตสงบเข้าไปแล้วตายแล้วไม่สูนจริงๆตายแล้วเกิดอีกเพราะท่านถามเธอที่นี่นักภาวนานักปฏิบัติทั้งหลายท่านจะบอกได้คําเดียวว่าตายแล้วไม่สูญนะ่ะตายแล้วเกิดอีกอย่างหลวงพ่อก็ถามมาเถอะ หลวงพ่อยืนยันเลยนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุใดเพราะว่าเมื่อเรานั่งภาวนาไปแล้วนะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะ่ะเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นนะ่ะหลุงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังเลยคนขับรถเป็นยังไงรถเป็นยังไงถ้ารถเสียเนี่ยถ้ารถเสียแม่ว่ารถราคาแพงเนี่ยเอาออกมาจากอู่แล้วราคาแพงมากไม่มีอันไหนไม่มีรถคันไหนที่จะแพงเท่าร่างกายของเราทุกคนในร่างกายของเราเนี่ยแพงใช่ไหมรักมากใช่ไหม ไม่มีอะไรรักกว่าชีวิตใช่ไหมพวกเราต้องยอมรับเออรักเงินรักทองรักลูกรักเมียรักบ้านรักเรือนชู้รักชีวิตตัวเองไม่ได้รักชีวิตตัวเองนี่มากที่สุดนั่นแหละในเมื่อรักชีวิตของตัวเองก็เหมือนกับเรารักรถนั่นแหละในเมื่อรักรถเนี่ยถ้ารถมันเสียเถอนี่ยเออคนรถมันเสียใครเป็นคนทุกข์เป็นคนทุกข์เป็นคนเดือดร้อนโซเฟอร์นะรถมันไม่รู้เรื่องอะไรนะ รถมันก็อยู่อย่างนั้นแหละลูกสูบติดสายพานขาดสายพานหลุดเนี่ยมันก็อยู่เฉยอย่างนั้นรถแต่ว่าโจโซเฟอร์เนี่ยวิ่งรอบตลอดเลยแบบนั้นอตพอรถราคาแพงเนี่ยนี้ก็เหมือนกันเน่ยร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยมันเป็นร่างกายนะแต่นามธรรมาคือจิตใจนั่นะตัวตัวรู้ๆอย่น้ที่มันหวงหวงหวงเหนร่างกายของตนเอง จะทำยังไงร่างกายของเราจึงจะอิ่อมร่างกายของเราจึงจะ เ, เจ็บหายจากเจ็บไข้ได้ป่วย น, ะนี่แหละอันนั้นคือใจเป็นตัวความคิดตัวนั่นหละหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสนสนใจเรื่องความคิดจุดนั้นแหละจุดที่ตัวนามรรมจุดนั้นท่านไม่ให้ความสนใจเรื่องร่างกายนะเรื่องร่างกายเป็นมาอย่างไงก็เป็นไปเป็นไปตามสภาพของมัน อีกสักวันหนึ่งก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเกี่ยวพราะกตายแหมเท่าแก่ชราแล้วก็มีจุดจบของร่างกายแต่ตัวนามธรรมาตัวนั้นแหล ะ, ะตัวที่รู้รู้เนี่ยจะให้โงโจะให้ฉลาดจะให้เป็นนักเลงเออหรือจะให้เป็นคนพ่านหรือจะให้เป็นบัณฑิตนักปรารถณ์แหมต้องฝึกตัว น, นั้นฝึกตัวใจตัวนั้นแหมแต่ตามไม่จริงในยุคนี้สมัยนี้เขาก็ว่ามันสมองอแต่ตามไม่จริงหลักของพุทธศาสนาละ่ะลึกกว่านั้นอีก สมองเป็นเครื่องเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ในบ้านของเราในรถของเราเราจะตัดเครื s, ่องขึ้นมาแล้วคอมพิวเตอร์มันทํางานทํางานใครเป็นคนใช้ใช้คอมพิวเตอร์นะั้นซอฟแวร์อีกอย่างเก่านี้คงเหมือนกันนี่แหละคือใจในตัวนั้นมาใช้คอมพิวเตอร์คือใช้หัวของเราแล้วก็ใช้ทําการทํางานแต่คอมพิวเตอร์แต่ละคนก็ไม่ไม่มาตรฐานเหมือนกันนะไม่มาตรฐา น, นะาฐานบางบางคนอาจจะ คอมพิวเตอร์ประกอบในลาวบ้างประกอบในเขมรประกอบในพมา่าประกอบในไทย อ, อถ้าประกอบที่ดีๆมันก็ราคาแพงใช่ไหมซื้อไม่ได้นี้ก็เหมือนกันมันสมองของคนเราก็ไม่เสมอกันเพราะอะไรเพราะว่าบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมไว้ในอดีตชาตินะัะมันต่างกันถ้าคนได้สั่งสมบุญกุศลดีแล้วนะ่ะบุญกุศลจะเกื้อกูลหนุนมาเกิดมาพบในชาตินี้เกิดมากับสมองดีมีความคิดดี มีปัญญาดี hey, เพราะอะไรพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติของเขาเขาไม่หนักไปนางทางยาเสพติดไม่หนักไปทางสุรายาเสพติดแล้วเขาก็เป็นผู้ไฝ่ในการศึกษาเวลาเห็นนักบัณฑิตนักปราชก็เข้าไปถามไทยศึกษาหาความรู้นี่แหละเขาเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเขาจะเป็นผู้ฉลาดพระพุทธองค์ท่านรู้หมดแว่าตูตปปาต า, าน การจติและการไหลเวียนของวิญญาณไปทางไหนถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วนะี่ก็จะพาไปตกต่ําวิญญาณตรงนี้นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสั่งสมคุณงามความดีใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปรับได้ทั้งบาปรับได้ทั้งบุญเพราะฉนั้นพวกเราอย่าไปเอาบรรจุเถอะนะให้ขี่โลภขี้โกรธขี่หลงอย่าไปบรรจุเข้าที่ใจ เอาบรรจุแต่คุณงามความดีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีบรรจุเข้าไปในใจใจของเราจะได้รับความร่มเย็นผาสุกนะต่อนนี้ไปรับหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พอ